8. เวหาสะกุติสิกขาบทเจอถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นั่งบนเตียงหรือบนตังอันมีเท้าเสียบบนกุดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งนั่งอย่างแรงบนเตียงที่มีเท้าเสียบบนกุดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ในเวหาสกุติสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจา